พระนั้นผู้เจ้าเนี่ยท่านก็นเลยสอนไว้นะว่าต้องทําจิตเมตตาให้มากขึ้นนะล่ะต่อไปท่านก็บอกว่าเธอจงทําจิตการุณามากขึ้นช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์เพราะเมื่อมีกรุณาอยู่ก็จะละความเบียดเบียนได้การุณาเนี่ยยิ่งกว่าเมตตาและเมตตาเนี่ยแค่จิตเราคิดคิดดีๆกับคนอื่นเขา แต่การุณานี่ไม่ใช่แค่คิดการุณานี่ลงมือช่วยเลยลงมือพูดเลยลงมือช่วยเขาเลยสแสดงออกมาเลยไม่ใช่อยู่แต่ในในในจิตในใจตัวเองอย่าเหมือนอาตมาสมัยเป็นครวาแต่ก่อนนี้อาตมาก็เคารพเนี่ยเคารพพ่อท่านเคารพสมณะชาวโสกแต่ชอบเคารพไว้ในใจ คือเจออะไรเนี่ยไม่ไหวหรอกยกมือแล้วชอบอ้างด้วยนะชอบอ้างเหตุผลแบบจริงๆเหตุผลแบบคนพาลเนี่ยหรือเหตุผลแบบคนโง่คนหลงหลงผิดคือชอบอ้างเหตุผลว่าเคารพในใจก็พอแล้วอืมพวกที่ไปไหว้ๆเนี่ยพวกเนี้ยอะไรอะ่ะเอาหน้าพวกนี้เอาหน้านั่นน่ะเหตุผลโอ้โหเหลือกินเลย บอกพวกนี้ทําเป็นเคารพเคารพน้แหมโอ้โหไหว้ชนิดอะไรนะเอาหัวจดเท้าเลยละ่ะว่สมัยก่อนพวกชาวอาโศกดีนะเคารพสมณะนี่เคารพพวกคุณไม่เคยเห็น <c oughs> พวกคุณไม่เคยเห็นอนะอัตมาเนี่ยบอกบอกเลยอัตมาอาโศกอ่าศรัทธาสมณะชาวอาโศกเพราะประทับใจอย่างแรกเลยเนี่ยนะที่ ทำให้จิตอาตมาเนี่ยรู้สึกโอ้โหทึ่งเลยนะรู้สึกมหาสัจจันทร์เหลือเกินทำไมมีคนเคารพคนอย่างถึงขนาดนี้จำติดตึงตาใจมาทุกวันนี้เลยแล้วก็ทำให้อาตมาสนใจชาวโศกมากขึ้นสนใจนักบวชชาวโศกมากขึ้นภาพแรกที่ประทับใจเนี่ยคือเห็นคนแก่โอโ้ผมงอกแล้วนะหัวขาวแล้วนะอายุมากแล้วผม งอกเนี่ยคุณคิดดูอย่างน้อยก็ทักเท่าไรหกสิบเจ็ดสิบเข้าไปแล้วอย่างน้อยอ่นะเสียแล้วโอ้โหมากราบสมณะชาวโศกเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะมากราบพ่อท่านเนี่ยโอ้โหคุณรู้หรือเปล่ากราบเนี่ยค่อยๆลงนะชาตชาแล้วก็เอาเท้าเนี่ยเรียกว่าไอเเอ า, เอ า, เ, อาเอาหัวแหมเอามือยกมาแตะหัวแต่ไปบอกเทา้าโอ้อตาตมาก็ <laughs> มันพูดไวเกิน <laughs> คือจริงๆจะบอกว่า เอาศาีรษะเนี่ยนะเอาหัวเนี่ยเรียกว่าไปเกือกก้าวที่เท้าจริงๆเลยเหมือนกับในสำนวนแบบในพระไตรปิฎกเนี่ยที่เคยอ่านเจอเงี่ยนะบอโอ้โหเขาลบศรัทธาพระเจ้ามากๆแล้วก็แหมเอาเอ า, เอาแบบว่าเอาหัวเนี่ยนะไปสัมผัสที่แทบเท้าเลยโอ้อลามาก็มาเจอชาวโสกอย่างงั้ยจริงถึงบอกโอ้โหประทับใจมากเลยที่ประทับใจเนี่ยแบบฉ ง, งน สนเทว่าอะไรทำไมคนนี่อายุปูนขนาดนี้แล้วมาเคารพพระได้ถึงขนาดนี้เชนเลยเพราะใจธรรมะไม่ไ ม, ไม่ไม่เคารพพระหรอกไม่ศรัทธาพระสมัยก่อนยิ่งบอกแล้วยิ่งรู้สึกว่าไอ้รูปเคารพการแสดงความเคารพแบบนี้นี่มันไม่จำเป็นอะ่ะคือคือแบบหัวสมัยใหม่นะจะคิดแบบนี้ว่าไม่จำเป็น บอกแล้วเขาลบที่ใจก็พอแล้วไม่ต้องมาแสดงลีลาอะไรมากมายแต่พอเจอคราวนั้นโอ้โหประทับใจมากๆแล้วพอจริงๆประทับใจคนกราบนะแต่เพราะประทับใจคนที่เขากราบด้วยอาการอย่างนั้นเนะี่ยก็เลยมาคิดต่อว่าแล้วทำไมเขาต้องกราบถึงขนาดนี้คราวนี้ก็เริ่มมาประทับใจพ่อท่านมาประทับใจสมณะชาวโศกว่า ้แสดงว่าท่านต้องมีของวิเศษอะไรหนักหนาสาหัสสาการแน่แน่เลยถึงโอ้โหพูดเท่าพูกแกจะเคารพกันถึงขนาดนี้อืแล้วถึงได้แบบว่าคราวนี้ก็เริ่มสนใจมากขึ้นแล้วก็เริ่มศึกษาธรรมะมากขึ้นถึงตามมานะอันนี้พูดให้ฟังในเรื่องของของการปฏิบัติที่คิดแต่ในใจไม่มีใครรู้คุณ ถ้าคุณลงรูปลงนามหมายความว่ากายคุณก็ทําดีด้วยแล้วใจคุณก็คิดดีด้วยเอออย่างนี้แหละมาถึงขั้นกัรุณาเพราะเมตตาเนี่ยจิตแค่คิดดีๆกับคนอื่นเขาอยากให้คนอื่นได้รับความสุขเหมือนกับหลายคนเลยนะบางทีเห็นไอน้นนท์หไอนน้นี่ก็บอกโอ้โ oh, หไอ้นี่ไอนี่หน้าจะอย่างนี้นะหน้าเป็นอย่างงั้นนะหน้าทําอย่างนั้นนะแต่ไม่เคยมาช่วยสักที โอ้วัดนี้เขาก็ดีนะวัดนี้เขาก็สอนดีนะพรลุ่มนี้ก็เทศดีนะแต่ไม่เคยมานั่งฟังเทศทักทีเอาแต่พูดแค่นั้นหรือเอาแต่คิดอยู่ในใจแค่นั้นนะแต่ไม่เคยปฏิบัติโอ้ไอสนามหญ้าตรงนี้ไอสนามทรายตรงนี้นี่สกรปรกเลอะเหลือเกินแหมมันน่าจะมีคนมากวาดเช็ดถูนะเออคิดดีละนี่นี่นี่มีเมตตาที่คิดว่าเออควรจะทําบ้านเมืองให้สะอาดให้เรียบร้อยให้อะไร แต่ตัวเองก็คิดเสร็จแล้วก็เดินไปไหนไปทำอะไรของตัวเองก็ไม่ยอมมาทำไอ้นีสักทีคิดดีแต่ยังไม่ได้ทำดีคนเยอะเลยนันคนมีเมตานี่เยอะแต่คนมีกรุณนายังน้อยมากในสังคมทุกวันนี้ไม่ว่าสังคมไหนก็ตามเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าระดับไหนขั้นไหนเท่านั้นเอง แม้แต่สังคมเนี่ยน้องนักปฏิบัติธรรมก็ตามคนเมตาก็เยอะแต่คนการุณายัางน้อยกว่าอยู่ดีเพราะส่วนใหญ่แล้วบางทีจะคานึงงานของตัวเองนี่ก่อนใช่ไหมงานของคนอื่นก็ต้องทีหลังทงั้งทั้งที่บางทีโ อ, อ้โหงานนั้นมันสำคัญมันจำเป็นละงานของคนอื่นเขาเนี่ยเราต้องรู้กาละแล้วโอ้โหงานนี้จำเป็นละ มันบางทีสถานการณ์มันขับขันและหัวหยิ่งต้องยอมสละงานเราแล้วเพื่อทํางานนี้แล้วทั้งๆ ท, ท, ที่เรารู้อย่างเงี้ยบางทีเรายังไม่ยอมเลยจิตของเราเองนั่นแหละมันยังไม่ยอมเลยมันยังแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวก็คนอื่นเขาไปช่วยเองอเราไม่ต้องหรอก <c oughs> ส่วนใหญ่จะคิดอย่างเงี้ยใช้เหตุผลอย่างเงี้ยในที่สุดเราก็ไม่ได้ไปเออเราคิดดีจริงว่าเออเออ หน้าแม่มันก็ดีหนะ้าเนี้ยหน้าช่วยหนะ้าหน้าอะไรนะแต่ในที่สุดเราไม่ได้ทําให้คนอื่นเขาทำส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นคนจึงยังมีการุณาน้อยแต่เมตตาเนี่ยจะหาได้ง่ายกว่าวันพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านถึงบอกว่าเนี่ยทําการุณาเนี่ยให้มากขึ้นวันลงมือนะต้องลงมือช่วยคนเนี่ยต้องลงมือจริงๆให้มากขึ้นเนี่ยช่วยผู้อื่นให้พ้นทุก็ดูนะ เมตตาเนี่ยเราคิดเนี่ยอยากให้คนอื่นได้รับความสุขอ่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไ่าอย่างนั้นแต่พอพอเก่ารุณนาเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ท่านใช้คำว่าพ้นทุกข์แล้วนะต่างกันนะที่จะทำให้คนอื่นได้รับความสุขเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมากมายหรอกแต่ว่าเราก็ยังเออคิดอยากจะให้คนอื่นได้สุขอะไรเพราะว่ามันง่ายเนี่ยแค่คิดเนี่ยมันง่าย คิดจะให้คนมีความสุขคิดดีๆกับคนอื่นนี่มันยังง่ายนะคิดเนี่ยแต่คราวนี้คำว่าช่วยให้คนอื่นพ้นทุก์เนี่ยแสดงว่าเขารำบากแล้วเขากำลังทุกอยู่แล้วเขาได้รับความเดือดร้อนแล้วต้องช่วยแล้วอะ่ะเพราะถ้าเราไม่ช่วยเขาก็ทุกอยู่อย่างนั้นนี่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องให้เขาสุขเสร็จอะไรหรอกแต่ช่วยแค่ให้เขาพ้นทุกออกมา คือยังไม่ต้องคิดไปอีกขั้นหนึ่งใช่ไหมแต่คิดตามสภาพความเป็นจริงเลยว่าคนนี้เขากําลังทุกข์อยู่อ ย, อย่างเช่นคนกําลังนั่งหลับเงี้ยมาฟังธรรมนั่งหลับคนนี้กําลังทุกข์อยู่ทุกข์หรือเปล่าเนี่ยนะมาฟังทางด้า น, นั่งหลับเนี่ยสะงกไปสะบัง ก, กมาทุกข์หรือเปล่านะใครว่าทุกข์มั่งไหนลองยกมือสิใครว่าทุกข์ โอ้มีสามสี่คนยกมือวระทุกเออจริงจริงทุกนะเพราะอุตส่ามานั่งฟังธรรมอะ่ะใช่ไหมแสดงว่าตั้งใจมาดีแล้วอุตส่าตั้งใจมาดีแล้วใช่ไหมมานั่งเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าฟังไปฟังมาเอาละสิถีนามิทะครอบคุมนะปากฏว่าโอ้ชักง่วงชักอะไรแต่จริงจอยากจะฟังธรรมอยากจะฟังธรรมไงแต่สู้กิเลสความง่วง ความหลีความซึมหรือว่าความเหน็ดเหนื่อยอะไรมาเนี่ยสู้ไม่ไหวสู้ไม่ได้วแพ้กิเลสก็เลยกลายเป็นพญานาคลงสู่บาดาลใต้พิภพโอ้โหเข้อนี้ก็อะไรอะ่ะก็หนักกระดินะก็หนักฮวจริงจริงเขากำลังทุกข์อยู่นะดยสัจจะแต่บางคนเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องโอ้ยปล่อยเขาเถอะเขากำลังไปอะไรนะ สวรรค์ชิมปรีเอเดี๋ยวไปปลุกเขาเดี๋ยวเขาโกรธเอาไม่ใช่นะถ้ามาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยแล้วเข้าอุตส่ามาตั้งใจแล้วเข้าอุตส่ามาฟังแล้วปุกเขาได้นะ่ะนั่นแหละทําให้เขาพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเห็นใครง่วงงเนี่ยมาฟังเทศฟังธรรมด้วยกันเออสกิดสกิดเขาหน่อยออนะช่วยเขาตื่นขึ้นมาแล้วมาทาค่ะเออเขาตื่นขึ้นมาสติเขาก็เต็มขึ้นมาเขาก็ได้ฟังเทศฟังธรรมรู้เรื่อง แล้วเขาก็จะได้ประโยชน์ไปอันนี้ว่าไม่ต้องเกรงใจอันนี้แต่บางคนที่เกรงใจเนี่ยเพราะว่าอะไรเผื่อฉันหลับมั่งแกอย่ามาปลุกฉันนะบางคนเนี่ยที่เกรงใจเพราะอย่างเงี้ยว่าไม่เอานะอันนี้ต้องคิดเห็นให้ถูกต้องนะต้องรู้อะไรเป็นทุกข์ด้วยอันนี้ต้องเข้าใจนะต้องรู้เรื่องทุกขอริยสัจ บางคนเห็นเขาโอ้โหขอเงินน่อยฮะขอไปซื้อเหล้ากินหน่อยเอาห ย, ยาบหยาบจะได้เห็นง่ายๆขอขอไปซื้อบุหรี่สูบหน่อยเพราะโอ้โหตอนนี้จะลงแดงแล้วทุกขเหลือเกินขอไปซื้อยากินหน่อยฮะยายายาบ้าอย่างเงี้ยเพราะจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ก็คือให้เงินเขาไปเขาจะได้ไปซื้อเอาไม่ใช่แล้วนะ นี่อย่างยี่บิดาทิ่ตีอีกแล้วนะไม่ได้สัมมาทิฏฐินะไม่ไม่ไม่ไมรู้สัจจะไม่รู้ความเป็นจริงอีกแล้วนะร้นการช่วยคนเนี่ยให้เขาพ้นทุกต้องรู้ด้วยว่าเขาทุกเนี่ยทุกแบบไหนทุกแบบโลกโลกโลกีอย่างของเขาหรือว่าทุกแบบเป็นอริยสัตว์ทุกเพราะกิเลสตัวไหนเราจะต้องรู้บางทีไม่ต้องพูดถึงคนอื่นหรอกพูดถึงตัวเราเองตัวเราเองนี่แหละ ตัวดีนักแหละตัวเองเนี่ยเพราะบางทีโอ้โหทุกอย่างเลยฟังเทศมานานแล้วง่วงอ่ะอยากจะนอนเต็มที่แล้ว <c oughs> ก็เอาเลยเชื่อใช้เสาเป็นสาระ <c oughs> เอาเลยอิงเสาโอ้โหยิ่งลมพัดมาเย็นๆส บ, บายแล้วขอไปก่อนละถอดจิตขอถอดจิตก่อนละกายอยู่เนี่ยนะแหมบางคนนั่ง นั่งยังตัวตรงได้อยู่เลยนะแต่ถอดจิตไปไหนแล้วไม่รู้ไออย่างเนี้ยตัวเองอะ่ะแหละต้องทำตัวเองให้พ้นทุกข์แล้วนะคราวนี้หาวิธีที่จะแก้ง่วงไงทำให้เราหายง่วงทำให้เราตื่นขึ้นมาได้แล้วเราจะได้ฟังธรรมรู้เรื่องเออจะได้เป็นประโยชน์ของตัวเราเองอัตมาถึงบอกตัวเราเนี่ยแหละตัวดีที่สุดเพราะว่า ช, ชอบปล่อยให้ตัวเองทุกข์ ตรงังข้ามกลับมีความรู้สึกว่าถ้าสู้กับกิเลสเราเนี่ยโอ้โหทุกอย่างเลยแต่ถ้าปล่อยไปตามกิเลสสุขสุขปล่อยตามใจกิเลสที่สุขอันนี้ไม่ใช่วิญญาณของนักปฏิบัติธรรมถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมที่เข้ากระแสแล้วเนี่ยนะคุณเข้ากระแสของธรรมะถูกทางจริงแล้วบอกได้เลยถ้าคุณปล่อยไปตามอารมณ์กิเลสคุณคุณจะรู้สึกละอายกับใจคุณจะรู้สึกผิด คุณจะรู้สึกตัวเองด้แย่เหลือเกินเลวเหลือเกินทำไมเราพลาดท่าเสียทีกิเลสอีกแล้วโอ้คุณจะหดหู่ห่อเหยียวใจมากเลยนะอืมเพราะเรารู้ว่าเราเรา<ม>แย่อีกแล้วแหละอย่างเงี้ยเราแพ้ อ, อีกแล้ววันพอรู้สึกอย่างแย่จะไม่เอาอะเราต้องสู้กิเลสสู้ ท, ท, ทั้งที่เหนื่อยต้องฝืนใจต้องลำบากขึ้นเรื่องกินอยู่หลับนอนเรื่องการงาน เรื่องเจอผู้คนเจอผัสสะโอ้โหคนนี้กับพยายามจะสู้แล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยนะเรากาลังสู้กิกเลสเนี่ยต่อให้คุณยังไม่ชนะก็ตามแต่แค่คุณกําลังสู้กิกเลสของเราเองเนี่ยคุณจะรู้สึกภูมิใจล้วว่าเอออย่างนี้สิแหมค่อยภาคภูมิใจค่อยหน้าเบิกบานหน้าแจม่มใสหน่อยแสดงว่าเรายังไม่แพ้ เ, เรายังไม่แพ้กิเลสอย่างนี้แล้วคุณจะ มีสัมมาทิฏฐิคุณจะคิดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นสัจจะเดยเป็นความจริงว่าเอออย่างนี้แหละคือความสุขของนักปฏิบัติธรรมการที่ได้สู้กิเลสของเราเองโอ้โ ห, โหแม้มันน่าลื่นเลงน่าเบิกบานมากมันจะไม่ไปรู้สึกโหดทีหูหอเหียวแมมสู้กิเลสไปก็แก่ขึ้นเรื่อยๆสู้กิเลสไปหน้าแก่ขึ้นเรื่อยๆโอ้มีที่ไหน ก็มีแต่มาปฏิบัติธรรมแล้วโอ้โหหน้าผ่องใสยิ้มแยม้มอะไรดีขึ้นไอ้นี่ยิ่งปฏิบัติธรรมหน้ายิ่งแก่ขึ้นแก่ขึ้นหัวก็งอกมากขึ้นเรื่อยเรยตายอย่างนี้ไม่มีใครอยากมาปฏิบัติธรรมกับคุณหรอกโอ้โหกลับแต่ก่อนนี้แหมเบิกบานแจ่มใสใช่ไหมโอ้โหดูอายุสิบหกพอมาปฏิบัติธรรมกลายเป็นหกสิบเอ็ดไม่ใช่สิบหกแล้ว ตายเลยอย่างนี้เขาจะถามว่ามาวัดไหนเนี่ยเขาจะได้ไม่มาวัดนี้เพราะถือมาวัดนี้โอ้โหตายแน่แน่ตายไวแน่แน่เลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องรู้ต้องเข้าใจสัจจะนะถ้าใครไม่เข้าใจตรงนี้นะอาตมาบอกได้เลยยิ่งปฏิบัติธรรมแล้วยิ่งทุกข์แล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องทุกข์อริยสัจด้วยไปเข้าใจแบบทุกข์โลกโลกสุขแบบโลกโลก ไปเข้าใจแค่ตรงนั้นพราะเมื่อไม่เข้าใจทุกอริยสัจเนี่ยก็เลยกลายเป็นทุกที่ตัวเองต้องฝืนเอ้าเงี้ยกินอาหารแหมต้องเอามาคุกกันโอ้โหแม้เราเคยกินไอ้นี่นี่นี่อร่อยเนี่ยเอามาคุกกันสมบูเลยวูฟเสียรสชาติไปหมดเลยหรือมากินข้าวเปล่ามั่งมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหหงอยวันไหนกินข้าวเปล่าโห ไม่มีแรงทำท่าจะตายเอาโอ้ไม่ใช่แล้วแสดงว่าไม่สัมมาทิฏฐิไม่เข้าใจหลักของการปฏิบัติธรรมนะจริงๆเนี่ยเราทําอันนั้นน่ะใช่อาหารน่ะมันไม่อร่อยขึ้นหรอกคุณไปกินแต่ข้าวเปล่ามันอร่อยกับมีกับมีอะไรได้ยังไงล่ะมันไม่อร่อยกว่าหรอกแต่คุณฝึกกินอย่างนี้เนี่ยนันเป็นการฝึกดูจิตดูใจแล้วก็หัดวางใจเราได้ โอ้ยเราไม่เห็นต้องไปทุกข์ด้วยเลยกินอย่างนี้ก็เออมันก็มีชีวิตอยู่ได้นะแล้วเราก็ไม่เห็นต้องไปทุกข์กุ้มอะไรเลยนี่เออแล้วมันก็ลดเนี่ยบิดอกวิจารณ์นะ่าลดไอ้ความเคยติดเคยยึดเคยชอบก็ลดไปได้ลดไปได้นะแล้วก็มีความสุขขึ้นเรื่อยๆด้วยว่าโอ้โหแต่ก่อนติดไอ้นั่นไอ้นี่โอ้ต้องไปซื้อไอ้นั่นมากินนะต้องไปถึงอะไรนะเกลี๋ยวเรือ ลังสิตเดี๋ยวนี้โอ้โหไม่ต้องก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตเลยก๋วยเตี๋ยวหน้าวัดก็ได้เพราะฉะนั้นไม่เห็นทุกข์เลยเดี๋ยวนี้อพอฝึกมาแล้วเห็นไหมถึงบอกว่าเพราะมันจะเข้าใจเลยว่าไอแต่ก่อนนที่ไปติดอย่างนั้นแหละที่ทุกข์แต่เดี๋ยวนี้เราลดความติดอย่างนั้นได้เออเราเนี่ยไม่ทุกข์แล้วแต่ว่าใหม่ๆมมันก็ต้องฝืนใจกันบ้าง แต่การฝืนใจไม่ใช่ทุกนี่ฮ้ฝืนใจเนี่ยเป็นสุขก็ได้นะอย่าไปเข้าใจว่าฝืนใจแล้วต้องเป็นทุกข์เพราะหลายอย่างที่เราทําโดยที่คุณไม่ได้ชอบใจเลยงานหลายอย่างเนี่ยบางทีคุณไปทําคุณไม่ได้ชอบเลยบางทีอ่ะไม่ค่อยชอบซะด้วยแต่เรารู้ว่าเอองานเนี่ยดีทําไปแล้วก็อะไรอะ่ะเป็นประโยชน์หรือว่าบางทีอา้าวไปช่วยก็ทํา แล้วก็อะไรอ่ะออกเหงือออกแรงออกอะไรไปเออบางทีก็ได้ค่าแรงกลับมาอะไรเงี้ยเออมันก็ได้กลับมาใช่ไหมอย่างเงี้ยหรือว่าได้เป็นทรัพย์สินหรือว่าได้เป็นบุญกุศลกลับมาเอา้ามันก็เป็นสุขได้นี่อาตมาเนี่ยเคยนะไม่ได้ชอบเลยการทําหนังสือเอ่อพวกพวกที่เขา ทำงานลงพิมพ์ทําสํานักงานอะไรที่เกี่ยวกับทําหนังสือต่างๆอนะมาไม่ได้ชอบเลยมาโดนพี่ชายเนี่ยบังคับให้ทําจะหนีอยู่เรื่อยอ่ะจะหนีอยู่เรื่อยไม่ชอบเลยแต่โดนบังคับให้ทําแต่พอทำทำทำท ำ, ทำไปนะทําไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ไปเกลียดชังอะไรมานะแต่ก็ทําไปทําไปทําไปจนตาหลังเออถ้าเก่งขึ้นชักชนานาญขึ้นเออก็กลายเป็นชอบได้ แล้วมันก็ดีมันก็เป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้เรามีความรู้มีความสามารถมากขึ้นอา้าวเห็นไหมในที่สุดเอา้าถึงบอกว่าทําในสิ่งที่ฝืนใจเนี่ยจะยิ่งเป็นสิ่งดีเอา้ามันเป็นบุญกุศลนะมันยิ่งน่าเป็นสุขต่างหากไม่ใช่เป็นทุกข์อันเนี้ยน่าฝากไว้ถ้าพวกเราเข้าใจอย่างนี้ได้นะก็จะทําให้เราเนี่ยมีจิตกรุณาได้มากขึ้นแล้วก็เนี่ยจะลดความเบียดเบียนคือเราเนี่ยจะไม่เที่ยวไป ทุจริตไม่เที่ยวไปคดโกงไม่เที่ยวไปคอรัปชันไม่เที่ยวไปเอารัฐเอาเปรียบใครเพราะการที่เราลงมือช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมีความการุณาเนี่ยเรากล้าที่จะเสสระมากขึ้นกล้าที่จะช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นมันลดการเบียดเบียนได้เพราะอย่างนี้แต่ถ้าตาบใดคุณยังไม่ถึงขั้นการุณาบอกแล้วเอาแต่คิดเนี่ยนะยังลดถึงความเบียดเบียนเนี่ยได้น้อยมันจะต้องทามาให้ถึง การุณานี่ให้ได้คุณเห็นใครแล้วคุณไม่ชอบใจเนี่ยนะคุณอาจจะทำจิตของคุณคุณทำไม่ตามมากๆไม่ตามมากๆไม่ตามมากๆคุณอาจจะไม่เกลียดคนนั้นแต่คุณยังไม่ช่วยคนนั้นนะแต่ถ้าคุณทำขึ้นไปอีกถึงขั้นการุณาเนี่ยขั้นการุณาต้องลงมือช่วยละบางทีครัที่คุณเจอคนนั้นคุณยิ้มให้เขาคุณทักทายเขาคุณพูดดีๆกับเขาอ้าวคราวนี้แหละ ไอจิตที่เรายิ่งไม่ค่อยชอบใจนะเกลียดชังอะไรที่เคยสะสมเอาไว้อยู่ในจิตเราเนี่ยคราวนี้เนี่ยมันไม่ไม่กดเอาไว้เฉยๆแล้วไม่กดแบบว่าเอ้ยไม่กดไม่กดไม่เกลียดไม่เกลียดไอเรื่ อ, ยอยงนี้มันยังหมักเอาไวาใ้ในในจิตเราคุณทําแค่เฉยๆได้แต่ถ้าคุณทําคราวนี้คุณพูดดีๆได้ปฏิสันถานธ์เขาได้พูดคุยกับเขาได้ช่วยเหลือเขาได้คราวนี้แหละรับรองเลย ศัตรูก็จะกลายมาเป็นมิตรศัตรูกลายมาเป็นมิตร ท, ทันทีเลยอย่างน้อยก็เราก็จะไม่มีเขาเป็นศัตรูอีกต่อไปแล้ะเพราะเราเมื่อช่วยเขาได้แสดงว่าเราไม่คิดว่าเขาเป็นศัตรูเราแหละแล้วลเมื่อยิ่งลงมือช่วยเนี่ยโอ้โหมันยิ่งล้างจิตไอ้พวกนี้ทิ้งไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีการเบียดเบียนเลยมีแต่จะช่วยเหลือคนอื่นเขานะเพราะฉนั้นบันนี้ก็ ได้แค่เมตากับการุณนาก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกัน